ท่านประโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพิกรกรทานแล้วต่อ น, นี้ไปเพื่อโปรดฟังคําแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้เยาว่าจะเพาะกายตาโนสติ แล้วก็อาจจะบวกสกายาทิธฐิตามแบบปฏิบัติในการจเจริญเพระกรรมฐานแปลว่าขอท่านทั้งหลายจงอย่าลืมวิธีปฏิบัติเวลาที่จะปฏิบัติเมื่องในสมาธิจริงๆหรือว่าในการพิจารณาขันแรกจะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นที่ทันได้จุดใจจุดหนึ่งมาก่อน แล้วก็เรียงมาตามลำดับมาเริ่มต้นให้จิตเข้าถึงความสุขที่สุดจะจึงทำได้แล้วก็ต่อมาเรียงมาตามลำดับที่ใ่้เคยปฏิบัติให้มีอารมณ์จิตสมาเสมอกันอย่าไปกลัวชา้าเมื่อจิตตั้อารมณ์ได้เสมอกันเรียงตามลำดับมาแล้วุกองจนทั้งทิ้งจุดสุดท้ายจิตจะทรงอยู่ในอารมณ์ของฌานนั้น การจะพิจรารณาก็ดีจะสงอารมณ์เป็นสมาธิก็ดีผลจะทรงตัวาการปฏิบัติแบบนี้เป็นพิธีที่มีความสำคัญที่สุดเริ่มจิตทรงตัวแล้วการพิจรารณาด้วยปัญญายองเห็นได้ง่ายโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งวันนี้ก็ อ, อย่าขอทนเสกกายาทิ่ถี เซกายะทิฏฐิก็ได้แก่การพิจารณาเรื่อกรรมาฐานในเรื่องของกายคือว่าพิจารณากายเห็นเราของเรานี่ว่ามันมีสภาพสกรปรกและไม่เป็นทิ้นเป็นท่อนเป็นอันวันนี้อยาขอผู้ละเอียดสักนิดหนึ่งก็นั่นก็คือกายนี้ทะแยกปนญาการส2สอง ค่อยๆพิจารณาไปด้วยอย่าทําแบบรัวรัดและรีบร้อนอยินเขินไปให้ใจมันสรงตัวพิจารณาอย่างนี้หาตามความเป็นจริงดูว่าในกายนี้มีตามความเป็นจริงอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคือหนึ่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อ เป็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหุจนยายตับลมผืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสำหรับที่ว่ามณีสมุดเป็นธาตุดินเพราะร่างกายนี้พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าสร้างขึ้นมาจากธาตุสีคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ ต่อไปเป็นเรื่องของธาตุน้ำก็คือมีดีเสเลตน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาประยมันน้ำลายน้ำโมกไขข้อมูอยากนั้นต่อไปก็เป็นธาตุไฟธาตุไฟนั้นทำแบ่งออกเป็นสี่คือไฟที่ทำร่างกายให้อดุูน ไฟที่ทำร่างกายให้สุดโทมไฟที่ทำร่างกายให้กะวนกวายไฟที่ทำอาหารให้ย่อยก็คือไฟสภาพของความร้อนที่าหรับต่อไปที่งกล่าทั่งลมได้กลลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลมเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ ล่พผ้ารบตามตัวลมหายใจวิธีกำหนดพิจรารณาการนี้ท่านให้พิจรารณาว่าเป็นธาตุสีหคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟโดยชมกันแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรานืงว่าเราไม่มีในกายกายไม่มีในเรา เมื่อฟังตามนี้แล้วขอท่านบรรดาท่านบรรดาท่านทั้งหลายจงพิจารณาเขคอ่คอยคิดตามว่าลักษณะของกายที่ประกอบได้วยธาตุสี่ 4, แบ่งเป็นการสาสิบสองพยายามค่อยค่อยคิดคิดน้อยน้อยพยายามค่อยค่อยคิดคิดแล้วก็พิจารณาไปด้วยคิดถึงผม ว่าสภาพของผมมีมันอยู่แนวไหนของเราหรือเปล่าถ้าผมเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราต้องการให้ผมยาวอยู่แค่ไหนมันก็ต้องยาวอยู่แค่นั้นเราไม่ต้องให้เปลี่ยนแปลงสีมันก็ต้องไม่เปลี่ยนเราไม่ให้มันยุ่งเหยิงมันก็ไม่ยุ่ง เป็นอันว่าแล้วผมตามใจแล้หรือเปล่าเมื่อพิจารณาไปแล้วก็เป็นของไม่ยากนะครับถ้าเราไม่พยายามโง่เราก็จะทราบว่าผมนี่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจคาสั่งของใจเราคือจิตที่เข้ามาใสา่กายนี้ เพราะนั้นว่าผมนี่มันยาวเรื่อยเกินความต้องการของเราแต่บางรายก็ผมน้อยเกินไปที่เราไม่ต้องการให้มันร่วงมนันร่นให้มันอยู่คนดีมันก็ไม่แล้วมันก็ไม่ให้สั่งเกินไปมันเกิด น, น้อยเกินไปแล้วสภาพของผมเราต้องการขอสะอาด ผมถ้าเราไม่สะไม่สาเไม่ล่างไม่ชำระมันจะสะอาดดสกปรกอันนี้ผมขอให้ท่านหลายใช้ปัญญาของท่านพิจารณาเองซึ่งมันเป็นของไม่ยากมาสำหรับขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันนังเนื้อเองกระดูกลองนึกดีครับลองนึกไปตามลำดับ ถ้าเรามองให้เลยหนังกำพร้าเข้าไปนึกเจอการสามสิบสองเนี่ยหนังกำพร้าด้วยผมก้ดีขนก้ดีเล็บก้นดีปันก้ดีหนังก้ดีเนื้อก้ดีเอ็นก้ดีกระดูกก้นดีลองนึกเไปเยื่อในกระดูกก้นดี ม, มัมนึกถึงสภาพของ ม, มัม นึกถึงสภาพของกรโดกปัจจุบันแม้แต่โครงกรโดกที่ก็เผาแล้วแล้วก็ ม, าม้าหัวใจหัวใจนี่ไม่ใช่จิตเนี่ยเขารับหัวใจนี่มันเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่สร้างทำงานอยู่ในกายเป็นคือเป็นตัวเครื่องจักรตัวหนึ่งแล้วก็ตับท้องผืดใยปอด ไส้ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้องนั่งนึกถึงสภาพที่มันอยู่ภายในของร่างกายว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสะอาดหรือมันสกปรกมันมีสภาพเป็นยังไงบางคนรับที่มันอยู่ในร่างกายนี้เราก็คุมมันได้ เราไม่ได้นังเกตียมันเพราะเรามองไม่เห็นแต่ว่าถ้าบางเอื่นจะมีใครสคักคนหนึ่งเขาตายแล้วก็มีสปรเรหรือเจ้าหน้าที่เขาผ่าร่างกายออกมาดูเราจะมองดูตรงไหนบ้างว่ามันที่น่ารักมาสะอาดมันน่าจับน่าแตะน่าต้องน่าประคองน่าประรอบรม อันนี้จะมีไหมครับนั่งนึกโดยดีช่วยผมนึกน่วยว่ามีตรงไหนบ้างที่มันน่ารักผมที่ปราศจากจิตน่ารักไหมครับพู้อย่างนี้จำยากก็ผมสำหรับคนตายเนี่ยทิ่มันได้สะสมไม่ชำ ะ, ะร่างมันมันน่ารักไหม หรือว่าผมของบุคคลทั้งหลายที่ไม่ได้สนใจกับผมเหมืองยาคนบ้าเป็นต้นปล่อยยุ่งเหยิงนกกรุงรังมิเงเอรใครจับอันน่ารักไหมครับมาผมคนเล็บฟันก็เหมือนกันไอ้ฟันไอ้เล็บเนี่ยเล็บไปปล่อยไม่กี่วั น, วนมันก็สกปรก ยิ่งฟันไม่แปลงฟันสักหน่อยก็บอ้โหเลอ ะ, ะเทอะแล้วครัะฟันอยู่ในปากเป็นที่ปรารถนาของเราแต่ดึงฟันออกจากปากเราบอกว่าฟันสกปรกใช่ไหมนังถ้าเราไม่ชำระล้างมันก็ดีวันเดียวไม่อาบน้ำวันเดียวทำท่าจะทนไม่ไหวสภาพของเนื้อที่แรกเราตลกนังออก แ้ายิ่งเอาเนื้อออกแล้นได้เอ็นสวยมือก็รับนึกดูเพื่อดูทุกส่วนที่หลอกเนื้อออกแล้วมีสภาพเป็นยังไงท่านมีความรู้สึกเปก็นยังไงกัไมทราบพอผมพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาผมอยากจะอาเกียรทันทีเพราะมีความรู้สึกว่าเห็นคนมาเห็นศพเยี่ยนในกันดูกม้ามหัวใจตับอพยพไตปอด ลองลนดึดูไส้ใหญ่ไส้น้อยลอยไส้ออกมาเลอะนี่มันมน่ารักไหมอาหารใหม่อาหารเก่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ภายในกายของเราใช่ไหมแล้วลองนึกถึงสภาพบรรลัยสิ่งที่มีอยู่ในกายนี่มสามสัอาจจะม่ชอบกบรา นั่งเล็กดูที่ว่าร่างกายของเรานี่มันมีอุปมาคล้ายๆกับถุงถุงเศษเนื้อเศษไข่ส้ในเชื่องในของสัตว์มันเต็มเป็นเต็มเลยสภาพสปกปรกแต่สภาวะของมันถ้าผ่าท้องไปดูแล้วมันจะเหม็นไหม็นขาวเหม็นกลิ่นชกกลนรู้สึกว่า เราลังกิจกันทุกคนนี่เป็นเรื่องของธาตุดินส่วนที่เป็นธาตุน้ำยิงไปกันใหญ่ดีสเสลตไอเสมหเสลตนี่อยู่ในคอเราอมได้เลืนได้พระบนมาแล้วลังเกียน้ำหนองไหลแากกายสะอาดแล้วสกปรกก็รับเลือดเลือดนี่เราต้องการ คนเลือดฝาดดีนี่สวยเปล่งปลัง่งแต่่าเลือดมันหลั่งไหลมันจะร่างกายบอกว่าเลือดสุกปรกเลือเมือมันค้นน้ำตาเปลียวมันน้ำลายน้ำามูกไ ข, ข้พ่อโมดก็คือปัสสาวะ ลงนั่งนึกดูทีกรับกายของเรานี่ที่ได้ระกายยะคตานุสติตามนึกถึงสภาวะความเป็นจริงในกายถ้านั่งไล่เบี้ยอยู่อย่างนี้แล้วจะมีความรู้สึกยังไงเห็นคนพับจิตเจียต้องนึกถึงสภาพอย่างนี้ทันทีเห็นคนเลื่อยเก็าตาทีจงใหญ่หินแต่เปลือก จิตขงบุตุชนคนที่หนานแน่นไปดุกิเลสบางทีไม่ได้มองเปลือกไปมองสิ่งที่หุ้มเปลือกก็คือเครื่องแต่งกายผ้าผ่อนทอนสบายที่เขาแต่งมองแล้วมันสวยแต่งสีนี้ก็สวยสีนั่นก็สวยสม น, นั่นก็ดีสีนี้ก็สะอาดมันโชว์ชาติหน้าแล้ว มีเรื่องของคนที่ไม่มีปัญญาเลยไม่ใช่เรื่องของคนมีปัญญาน้อยมองเข้าไปไม่ถึงหนังแล้วมองเข้าไปตีแค่ผ้าพอนเครื่องบันดบาบก็สวยซะแล้วก็เรียกว่าเป็นคนไร้ปัญญาแล้วก็คนไร้สัญญาคนประเภทนี้แนะะที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้หนาแน่นไ่ได้เป็นเล็กขี้ปูตุชน ไม่ได้หาของจริงก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราต้องการเราก็ทำทุกตาทำหุ่นขึ้นไปหาเครื่องประดับเอามาประดับทุกตาหรือหุ่นนี่มันดีกว่าคนตั้งเยอะเพราะสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดภายในมันไม่มีมันจะมีโครงก็เป็นโครงวัตถุที่แห้แง จะมีผิวที่ก็ฉาบแล้วก็เป็นผิวที่แห้งแห้งอาการสุดซมมันก็น้อยกลิ่นคาวมันก็ไม่มีอันนี้ดีกว่าไหมครับแต่ก็อย่าลืมถึงแม้ว่าเป็นกายหลอกแต่ก็เป็นกายที่เต็มไปด้วยความสุดซมกายประเภทนั้นมันก็มีธาตุสี่ไม่กันคือมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุาลมธาตุไฟ แลรวว่าธาตุทาั้งหลายาต่างๆมันมีกำลังอ่อนไม่เหมือนกับร่างกายเราร่างกายคนแสัตว์นี่นั่งในกะระทงนี้นะวันนี้ผมต้องการให้ท่านทั้งหลายพิจารณาตามนี้ด้วยปัญญาแล้วก็พิจารณาบ่อยๆนั่งไล่เมี่ยมตามสบายสำหรับธาตุไฟไม่มีอะไรหรอกครับ ไฟนี่ธาตุเราจะนังเกียรติปัญญามันต้องดีแล้วที่ยรังเกียรตไฟเพราะอะไรธาตุไฟมีสภาพของความร้อนอมีความรู้สึกยากคนที่เป็นไข้จับแล้วเขสั่นนั่นธาตุไฟแมันมย่อนกำลังตัวลงเป็นอนวัธาตุาสีนี้ถ้ามีกําลังเสมอกันเราพิจารณายาก เพราะว่ามันมีความแข็งแรงไม่มีอาการส่งตัวนีแต่หากว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันหย่อนถ้าธาตุน้ำหย่อนลงไปธาตุไฟกำเริบก็ร้อนธาตุไฟหย่อนธาตุน้ากำเริบธาตุลมกำเริบก็ท่นหนาวหากว่าธาตุดินหย่อน้าดินนี่มันหย่อนทุกวันเพราะมันยาณอยู่เรื่อย มันสู้บันซีดกายมันเศร้าอยู่เสมอที่มีสภาพไม่เปลี่ยนแปลงเตีงต่างเต็มที่เพราะธาตุดินมันหย่อนลงไปแล้วพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าธาตุดินมันสลายตัวทุกวันธาตุน้ํำมันก็เสื่อมทุกวันธาตุไฟมันก็เสื่อมทุกวันธาตุลมก็มีสภาพแปรปรวนทุกวัน สำหรับธาตุดินที่มันส่งอยู่ได้ธาตุดินธาตุน้ําที่ส่งอยู่ได้ก็เพราะว่าใสเาาา่เรากินอาหารเรากินอาหารนั่นเข้าไปเติมธาตุที่มันสลายตัวไปแล้วหรือม่นเสื่อมกําลังจะสลายตัวที่แพทย์แผนปัจจุบันเขากล่าวว่าเส้นต่างๆในร่างกายมันมีอายุสี่ปีในเมื่อถึงกําหนดสี่ปีเส้นต่างๆบางตัวมันตายไป แ้าตัวอืก็เกิดใหม่ถ้าเป็นเด็กก็แม้ก็ยังเกิดมีความสมบูรณ์ถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตอนนี้ไอ้ตัวที่ตายไปมันมากกว่าตัวที่เกิดมาแทนาการเปล่งปลั่งตึงตึงของร่างกายมันก็หมดไปมันก็มีแต่ความเหี่ยวแห้งลงมาเหมือนกับถุงใหญ่ที่ใส่เคยใส่ของเต็มก็เริ่เปล่งปลัง แต่ของภายในมันย่อหย่อนลงไปมันก็แทเจะล่อยร้อลงเป็นอันว่าสภาวะของร่างกายเนื้อทงอ น, นั้นก็สุดโทมเหี่ยวแห้งลงร่างกายก็เหมือนกันของมันน้อยุงก็ยุบดูผิวของทงมันก็ย่นสภาพของคนก็มีสภาพอย่างเดียวกันก็เป็นว่า เราก็ต้องมองดูตามความเป็นจริงที่ท่านบอกว่ามันของเก่าวหมดไปของใหม่เกิดแทนมันเป็นสันติตอนนี้เป็นมิปรสนายานแต่มองสภาพจริงๆเข้าร่างกายว่าส่วนไหนบ้างที่มาสะอาดให้กล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรบอกว่าเหมือนกับไย้ยถ้วยถุงที่เขาใส่ของสุขปรกทุกอย่าง ผูกหัวผูกท้ายถูงนั้นมันมีสีดีเราก็เลยคิดว่าเจ้าถุงนี่สวยคิดว่าในถุงมันดีแท่ว่าปล่อยหัวแล้วปล่อยทายไอ้เขียเยี่ยวไ้เสียงที่เหม็นอยู่ในนั้นมันละ ม, มันหลังไหลออกมาเราก็รังเกียจนีสาหรับกายนี่ก็เหมือนกันจงอย่าดูเฉพาะกายคนอื่น ให้ดูกายของเราเป็นสำคัญเห็นกายของเราแล้วก็เห็นกายของบุคคลอื่นเปรียบเทียบกันอย่าไปนั่งหลอกตัวเองสัญญาคือความจำเท่าที่ผมพูดไป น, นี่ถ้าท่านจำได้นั่นคือสัญญา ใช่ถ้ายังทรงอยู่เดิมหน่ายของสัญญาจําได้ว่าผมพูดมานี่แต่คําควาจริงว่าผมเนี่ยนะไม่ได้มีความรู้เองความรู้อันนี้เป็นขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจา้าเนื้อท่านจงอยากก่าเกาะผมอยากก่าเกาะร่างกายของผมเ น, นก็จงอยากก่าเกาะเสียงของผม อารม์ที่จเกาะต้องกาะพระพุทธเจ้าเพราะว่าเสียงนี้พูดตามเสียงที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถามว่าถานถ้าถามว่าเสียงพระพุทธเจ้ามาจากไหนก็ไม่อยากล็อกกรื่องเขาตำราท่านสอนมาแล้วตำราได้วิชาความรู้ทรงอยู่เอจิตน้อมลงไปแต้มกระแสพระสธรรมทีชนาพระองค์สมเด็จพระบรมครู ดูว่าส่วนไหนหนอที่น่ารักมองผิวพรรณของใครเปล่งปลัง่งก็จะมองให้ทะลุหนังเข้าไปที่เนื้อทะลุเนื้อเข้าไปที่ตับไตไส้ปลอดพยายามคิดหาความเป็นจริงว่าส่วนไหนบ้างที่เราน่ารักถ้ามองไม่เห็นก็เอายี่ก็แล้วกันเวลาเขาบ้วนน้ำลายก็ขอให้ลองเอาไว้ น้ำลายของเราและน้ำลายของใครก็ได้เวลาเขาเสีมหามมนติดคอเขาขากขออกมาก็เก็บเอาไว้ทายุจระปัสสาวะออกมาก็เก็บเอาไว้เหงื่อใครที่มันหลั่งไหลออกมาก็ขวดเก็บเอาไว้ดูที่ว่าส่วนไหนไม่น่ารักนี่เมื่อพิจรารณากันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรจะน่ารัก ผมพูดนี่ก็รู้สึกว่าอยากจะอเกียนเต็มทีแล้วต่อไปเมื่อพิจรารณากายนี้ว่ามีสภาพอย่างนี้ว่ามีอะไรบ้างที่เราบังคับมันได้มันสุขกระปรก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเราจะบังคับให้มันส่งตัวไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันป่วยไม่ให้มันตายไม่ให้มันสุดโมไหวไหม ไหวไหมครับตอนนี้บังคับได้ไหมไม่ให้มันเมื่อยแมะมันปวดแม่อะไรทั้งหมดอะให้มันทรงตัวมันก็ตุกตาให้มันมีสภาพเฉยๆจิตเราจะได้มีความสุขเพราะว่ามันต้องการหวานเราให้หวานมันต้องการเปรี้ยวเราให้เปรี้ยวเราต้องการมันต้องการเค็มเราให้เค็มมันต้องการอะไรเราให้เสี่งนั้นทุกอย่างแล้วเราตามใจมัน ถ้ามันหนาวเอาของอุ่นๆมาหม่มถ้ามันร้อนเอาของเย็นมาลกูกตามใจมันทุกอย่างเพื่อมันทรงตัวแล้วมันส่งตัวใหม่เขารับเป็นอนุว่ามันไม่ยอมทรงตัวก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเต็มด้วยความสกปรกนั่นก็เป็นหนึ่ง อ, อนิจจังไม่เทีย่ยง สองเมื่อทรงอยู่เต็มได้วยความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความหิวความหนาวความร้อนความปวดอุจจระปัสสาวะป่วยไข้ไม่สบายร่างกายไม่ทรงสภาพแล้วแถมมีวิญญาณไท้ยกมาสายรับสัมผัสาการต่างๆภายนอกได้เช่นเสียงเป็นต้นและรูปเป็นต้น มันทำให้สร้างความยุ่งอยู่ตลอดเวลามันมีความสุขตรงไหนแล้วเราก็เดินกันไปหาความตายทุกวันแม้ที่สุดมันก็พังล้วมีอะไรบ้างเขารับที่เราคิดว่ามันเป็นเราเป็นพวกเราที่มพูดว่าเป็นเราเป็นพวกเรานี่มันไม่ใช่เราไม่พวกเรานี่ตัวนี้เป็นมิปัญนายาลเป็นสกายะทิฐิ พิจรนารณาแล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ขเราแต่ร่างกายของใครลราก็รับที่เราต้องการให้มาเป็นของเราที่ที่เราต้องการหาคู่ครองเข้ามาประคับประคองเวลาแล้วประคับประคองกอดรัดทำไมประคับประคองกอดรัดอะไรครับไปประคับประคองถุงขี้ทุงเยี่ยวที่แตไม่ได้ความสุขสงบไอ้ทุงขี้ทุงเยี่ยวจริงๆเนี่ย ถ้าเข้าวางไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแต่ไอ้ทงขีุ้งเยี่ยวที่มันมีวิญญาณมันสร้างความยุ่งประเดี๋ยก็เรื่องนั้นประเดี๋ยก็เรื่องนี้หาอรมณ์ดีไม่ได้สร้างความวุ่นวายมาุ้ยการทั้งปวงแล้วก็มาส่งตัวไม้ต่างคนต่างพังไม่พังนะถุงมันพังไท่มันพังแต่เราไม่พัง เราทำยังไงถ้าเรามีตัณหาคือความอยากได้การทรงตัวหรือการอยากได้สภาวะที่สุกบุกอย่างนี้มันเป็นปัจจัยให้เกิดต่อไปข้างห น, น้าถ้าเรามานั่งพิจารณากันจริงๆว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสุขปรกมันสุกบุกแ ล, แล้วเราไม่มีอํานาจบังคับมันสร้างทุกข์มาให้ถ้าใจระวังเสียจะเป็นยังไง วางมันไปสเสลยว่าร่างกายนี้สกปรกน่าเกลียดแล้วเราก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลย ไ, ไปง้อมันทําไมสร้างความรังเกียจกายทั้งกายใช้หมดไังเกียจกายใครกายเรานี่แหละรังเกียจมันว่าเร็วๆอย่างนี้เราไม่ต้องการในมันความผูกพันในการมีการมีกายไม่มี ถ้าเราไม่ต้องการระฆัไม่ต้องการกายเราที่อย่างเดียวมองดูกายคนอื่นมันก็เหมือนผงขี้หรือผงเยี่ ย, ยวเมื่อเราก็รังเกียจเป็นอันว่าความปรารถนาในกายของเราไม่มีต่อไปแล้วความปรารถนากายของใครก็ไม่มีในใจของเราไม่ต้องการมันอีกของที่เต็มไปด้วยสุขปลุกแทงที่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ ไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขเนีงวินาทีให้ใช้ปัญญาให้ดีเลยกอรับเพียงท่านทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกติค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาให้วันทั้งวันที่เรามีความรู้สึกอยู่นี่มันทรงตัวใน อ, อารมณ์อย่างนี้อย่าลืมว่าการคิดการพิจารณาใหม่ๆเราเคยแพ้มันมาอานาจของกิเลส เมื่อเราแพ้มันมาแล้วเวลานี้ก็เราก็ยอมแพ้มันบ้างมันแพ้เราบ้างไม่ใหม่แล้วก็แพ้มันมากกว่าชนะแต่ค่อยๆพิจารณาไปนะข้าวเขามันชักจะเริ่มเสมอกันมันมั่งเรามั่งรักมั่งเกลียดมั่งแต่ชินนะเข้าในเะข้าอาการที่เราชนะมันมากกว่าเราแพ้ <c oughs> แต่ในที่สุดเรามีจิตเป็นเอกค้าตารม คำเอกตารมณนี้อารมณ์เป็นฌานอารมณ์เป็นฌานนี้ต้องฝึกกนาปานุสติกรรมาธิให้มีอารมณ์สรงตัวไว้แล้วก็เมื่อคลายวิปัสสนาสมาธิออกมาก็าพิจรารณากายตามนี้ถ้าพิจารณาไปพิจารณาไปใจมันหยุดจะแสดงว่าการพิจารณาจิตเริ่มเป็นสมาธิทีละน้อยจนกระทั่งกระทั่งเ ข, ข้าถึงอารมณ์มอารมณ์ฌาน หรือว่าบางทีเข้าฌานยังจิตทรงตัวเมื่อจิตทรงตัวดีแล้วก็มาพิจารณาพิจารณาพะ จ, จิตเฟื่องเห็นยะสั้นกลับเข้าจับอารมณ์สมาธิใหม่คือจับอาการทรงตัวกาหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจะภาวานาว่ายัางไงก็ได้ถ้าสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้ไม่ชาก็เป็นเอนตตาารมณ์ พอเป็นเอกคาตารมจิตตั้งตรงดีแล้วความเป็นพระอริยเจ้าก็มาถึงมันนี้เป็นไม่ได้เด้วก็รับไปบ่เวลามันหมดเมื่อเวลาหมดแล้วก็ข อ, อยุติว่าได้เพียงเท่านี้ก่อนขอมันดาสาวกโกองค์สมเด็จพระชินวรจงสมอารมณ์อยู่ในอิทิยาบทสี่ ตามที่แนะนำมา น, นี้และตามที่ท่านพอใจในการปฏิบัติจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรจะเลิกสวัสด